ธรรมบทแปลเรื่องพระมหาปันตกเถระภาคที่8เรื่องที่287พระศาสดาประทับอยู่ณพระเวรุวันทรงรบารมพระมหาปันตกเถระพระธรรมเทศนานิว่ายาสราโคจะโทโสจะมาโนโมัคโคจะปาติโต สาสะโปริวอารคาตะมะหังปรุมิปรามานังแปลว่าราคาตัวสะมานะและมะะักกอันผู้ใดให้ตกไปแล้วเหมือนเมล็ดพันุ์ผักกาศตกไปจากปลายเหล็กแหลมฉะนั้นเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นปรามความพิสดารว่าท่านพระมาหาบันดกนั้นกับไล่พระ จุลัปันตกผู้ท่องคาถาเดียวภายในสี่เดือนก็ไม่ได้กลับไล่ออกจากวิหารโดยพูดว่าเธอไม่เหมาะจะอยู่ในพระศาสนาทั้งเป็นผู้เสื่อมแล้วจากโภคะของฤหัสป่วยการที่เธอจะอยู่ในวิหารนี้จงออกไปจากที่นี้จึงจุดออกจากวิหารแล้วปิดประตูพิสุทธหลายสนทนากันว่า ท่าผู้มีอายุทั้งหลายพระหมาปันตกช่างทำได้จชรอยพระขีนาศบก็บรรดาลโทสัตได้พระศาสดาเสด็จมาตรัสตามว่าภิกษุทั้งหลายขณะ น, นี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนาด้วยเรื่องอะไรกันเนาะเมื่อภิกษุเหล่านั้นราบทูลให้ทรงทราบแล้วซึงตรัสบ่าภิกษุทั้งหลาย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 เราเรียกผู้นั้นว่าเป็นบรามบาลีวายัสราโคจะโทโศจะมาโนมัคโคจะปาติโตสาสะโบริวะอารักาตามะหังปรูมิปรามหนังในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอารักาแปลว่าจากปลายเหล็กแหลมเป็นต้น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 ในเวลาจบเทศนาคนจำนวนมากได้บรรลุโซดาปฏิพลเป็นต้นแล้วแหละเรื่องพระมหาปันทกเทร